รัตรายปิดกฉบับประชาชนเล่มที่11อพระสูตรที่ส1ทเอ็ดถ้าสุดแต่รัสูตรสูตรว่าด้วยหมวดธรรมะอันยิ่งขึ้นไปจนถึงสิบพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงหมู่ใหญ่ประทับหน้าฝั่งสะน้ำชื่อคคราใกล้กรุงจำปาราชธานีแห่งแคว้นอังคะพระสารีบุตรแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายทานองเดียวกับสังคีติสูตร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 ธรรมะสามอย่างมีอุปการะมากคือหนึ่งคบสัตว์ปุรุษคือคนดี 2. ฟังธรรมของท่านสาปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหมวดสธรรมะสี่อย่างมีอุปการะมากคือจากสี่อันได้แก่หนึ่งอยู่ในประเทศหรือที่อยู่อันสมควรสอง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 กายกรรมอันประกอบด้วยเมตตาสองตั้งวจีกรรมอันประกอบด้วยเมตตาสามตั้งมนโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตาสี่แบ่งปันลาภห้ามีศีลอันดีเสมอกัน6มีทิฏฐิหรือความเห็นอันดีเสมอกันหมวดเจ็ดธรรมะเจ็ดอย่าง